บุกจนเป็นบ้าเป็นเชา้าได้ฝ่าได้เคยผู้มาเกิดเจ่านีก็ได้มันเป็นร่วงไปหลายแล้วที่นี่ในส่วนโตของผู้ขาผู้ขากับเปื้องออกหลายแนวแล้วนึ่งเพื่อให้ให้เบาให้เบาโตเบาของโตงานของโตก็เบาไปภาพพวดของโตกัจักรวเสียะเอาเทปมาอัดไว้พอ คนังเอกอาตมาหรือผูขาคนหรือข่อยกว่านีหรือกูกว่าดีคำว่ากูเป็นข้ามขุนเชื่อมกันผู้ไทยว่าได้ถือกันมาเป็นข้ามขุนเชื่อมกันคำว่ากูว่ามึ่งคำว่าเจ้าว่าข่อยเป็นข้ามของพวกเล่าคำว่าผมว่าขับหรือว่าเก่าก็ใส่ตามฐานะของสังคม หรือควานิยมของสังคนเหมือนนั่นที่นี่นี่ยแบ่งเบาออกให้จากพระเจ้าพระสงฆ์หลายเนี่แล้วแบ่งเบาออกจากกับข้องด้วยให้ภากันสังเนียกให้ภากันของจับนั่นคือภากันเป็นกลบฝอดอกบัวจซื้อดอกบัวคือว่าอะไร้หมว่าโตเป็นดอกบัวอไม้พระคุณพระธรรมพระสงฆ์คือเป็นดอกบัวไม้พระคุณพะเจ้าแทะพระธรรมแทะพระสงฆ์แทะ หนึง่งเจ็บป่วยมากก็บหวังเป็นน้อนข้างขึ้นในร่มพญาบาลเพื่อแบงเบาให้ยนาย่อมปิตะเพียงมาไปปวดโลกบนน่อมบนน่องนอนข้างขึ้นในร่มพญาวาล เ, เพื่อสิดตั้งชี้ว่าประวัติของตนตอนนี้ออกอีกเพื่อให้มันเบาลมเพื่อรักษาชีว่าประวัติของตนอีกเพื่อแบงเบาข้ามงานกับย่อมกับหมูอเพื่อนอีกมีประโยชน์ลประนอม การไป น, นอนงข้างขึ้นในโร่องพยาบาลเป็นโลกมากทำพญ่ า, ญาไถ่ยอมไปเยี่ยมไปยามแล้วก็เป็นการเสียเว ล, เวลาอีกสารพัดท่ามายพระเจ้าพระสงฆ์ทุกจิกในการไปฝร่อในโร่องพยาบาลอันนี้แบงเบาออกแล้วที่นี่การเป็นโทษทั้งพาทั้งตัดกับไผ่ยอมพายอมตัดกับแบงเบาออกจากเจ้าของหนึ่งกับแบงเบาออกจาก พระเจ้าพระสงฆ์ุบกุ้นไกศสิบนึงแย่งบาออกจากงานจากโนมหนึ่งอันคุณภาพอันนี้นาที่านโนมหรือพระเจ้าพระสงฆ์จิกวัพิ่เจ้าอันนี้ที่นี่เวลาตายอันก็เขียนที่น่ากรรมไว้แล้ว่านที่น่ากรรมน่ยมันบนในนนทอีกอัดทียบไว้อีกตายมื่อล้เอาไปเผามื่อไน ได้มึเศร้าไ้ไปเผาเทียงตายก้อนจังหันสอนจังหันแน้วไปเผาไม่ต้องล้างไม่ต้องซวยว่่ต้องเห็ดหิบเห็ดรงผุกร it ุงผุเปิงไ่ต้องงั้นไม่ต้องเห็ดต้นกะละพึกระพิเพื่อให้ผู้นั้นมาโมทนาทนั่งเพื่อให้ผู้นี่มาโมทนาเท่านี้ว่าให้ว่าท่านพลียมากมาก่าท่านเอาจะถือกัน อคมาเมาท่านันผู้เขาไปแล้วใครแล้วไปแล้วคันถากวานี่คนบันตไตไฝเนื้อมาดูถูกนิ่นท้าวาโ้ยใจจืดใจแหงถึงพวกวัติบัติใตสิบเขาบ่เอาไว้เขาบ่า เ, า เ, าบาเก็บสบไวก้กระยาิโน้ตมตำบลหนองสูงไตกระพักกันใจจืดใจแหงคน ด, ดอปเอาเพิน่นไว้ทักสามขึ้นทีขึ้นเนี่ยกับอะได้พอให้คนในทิศทางไก่มาเห็นอืม ขั้นเขาว่าก็เอาพินัยกรรมออกอ่างโลดเอาเทพออกมาเปิดโลดเมื่อวันทิทับทวงมเนียโนมขั้นสร้างแต่ปากาซื้อนั่นมั่นว่าสามารถจดจำไว้ได้พู้หนึ่งออกคำหนึ่งพูหนึ่งออคำหนึ่งพูดนึ่ออคหนึ่ ง, งอันนี้เขียนไว้แล้วยางดีแล้วแต่สองพันหาลอยิบหาผุนเท่อหนึง่งสองพันหาอยหาผุนเท่าหนึง่ง เขียนไหวแล้วแล้วมามาลลางออกอีกว่ามันงาโผดแล้เขียนหย่อๆเอาติใจคว่วงแล้วขันเมื่อเป็นนังสั้นเนี่ยโย้มย่ามาอิจนาและอาใจในภูเขาเลยย่ามาสงสัยในภูเขาเลยเงินอนชวนตัวภูเขากับพนี้ว่าเดบบอกอยหยาดโน้ม ให้มีรับร่มค่มนนเอาไปฝากไปเป็นช่วนตัวผู้ข่าดียเออจักรลอยจักรมือจักพันหรือเทไรผู้ข่าก็ไ่ได้ว่าสำหรับเงินสำหรับผู้ขาไยายามบ้านผู้ขาเอาเงินฉงทั้งนี้ไปเสามรอยสี่ร้อยตับขึ้นมาเขาให้เหลือค่ารถมาผู้ขาเอามายัดแทนไว้หรือมี่ฉะนั้นผู้ขาซื้อของมาไว้เป็น เครื่องใส่ของซอยในวัดแนว่าหี่ผู้ข่าวประด้แยวเริเ่มชวนไว้อันนี้มันให้รับหลังก็บสร้างเงื่อนเขาจะเอาไปให้รับหลังมูเพื่อนอยู่ตร ง, ตงทุ่งเที่ยวเก่าบาทเชื่อบาทเทื่อวพันสองพันก็นดีขาดเอามาแกงกับหยาดกับกบมัวกับเพือนกับหยาดกับโยมผูกเก็บเบิ้ลขห็นว่าเป็นนักสั่นพวกท่านทั้งหลายอา ส, สามารถสงสัยนะอตาตมาวายจเป็นอย่างไรไปอีกอันไหมันจิเจริญแก่พวกหยาดพวกโยม การพากันเหตกันท่ามเขินอย่ามาสงสัย ง, ง่เองอินอันอื่นอีกสิบปีผู้ขาก็จัดพยายามบ้านเช่นึงผู้ขากพยายามบ้านผู้ขากลรักษาภาพพวกลูกผู้ข่าว่าอย่างหาอุบายเอาเงินไปให้ลูกขายล้านเอาสิ่งเอาของไปให้ลูกขายล้านหรือที่ฝากสิ่งฝากของไปให้ลูกขายล้านในทางรับก็ดีโยมอุปถามก็ต้องรู้ดีเพรจับเงินมาได้อันนี้สิแก้ให้ฟังอืม เพราะเงินเมื่อโบยุกับผู้ข่าเนีอันไหนกับโบยุกับผู้ข่ากันฉะนั้นจิตผู้ข่าที่ฝากพาไปไห่นึงก็ดีหรือว่าหนึ่งสองว่าก็ดีญาณโน้มก็ต้องหัวจักมดพระเจพระสงฆ์ก็ต o n งหูวจักมัดแล้วผู้ข่าก็ไม่ดีเฮ็ดายกับเท้าขันว่าเป็นทงสั้นญาณโน้มทางหลายน่ขันนีจิตการทุระขืกก็กร๊บแกะขืนในวัดในว่า เป็นบางข้างบางข้าวที่งานงอมปูงแกงขึ้นกว่าดีที่พระเจ้าพระสงฆ์ปุงแกงขึ้นกว่าดีเท่าที่มันอดมันอยากมันขับมันแคบนะย่าขมาเอาเรื่องกับผู้ขะเออย่ามาเอาเรื่องกับทุกขะให้ผากันซ้ายกันเท็กกันท้ำให้มันแล้วนี้จากเพลย่าหามันนักอกนักใจเพลย่าให้เอาใจให้กันทังหยาดทั้ง่อมคดีถ้านี้ สำหรับเนี่ยนิมเล่พระเจ้าพระสงฆ์ชิมาสงไซในผู้ข่าประกันได้ใดก็เป็นค้อมูลของท่านทั้งหลายว่าเป็นควอมิดของผู้ข่าเมื่ว่าจะยุในนี้ผู้ข่าไปมันอื้อผู้ข่าแต่เซ็นแบบเต้านี่นี่เหลืองซบซบเจ็บกวดีนี่เหลืองเงินเหลืองข่าก็่าดีเมื่อว่าตะยุวันนี้เอาไปใส่เก็บมัาตายเลยผู้ข่าเมื่อว่าชิมาสีเหด ปดนาแช็งแต่บันนี้มังไปบันไหนยูบันไหนผู้ขากหติตยังขี่เสมอเสมอเสมอเสมอแต่พัดบวดหนา้าออกนี้มาจากแถวท่ า, ต า, า, า, ายต่างนึงก็ไ่ได้อ้ามาหรอกเามายูพเก้านี่พุนีจูมคุ้มออกก็ไสมากลับนึงก็นจูมคุ้มออกก็ไสมาอหอนึงว่เอาแบกบเอาหาทับอมอหาทับจ้องไม่ผู้หาย่อชัดไม่ผู้หามันก็เดือนดาวไม่ยู่ดอกโอชั อันนี้ผู้าก็ บ, บ่เอามาผู้ขาก็ยังหันซีภาษาะูพพ้คนนึงก็ บ, บ่เอามาบ่เอามานะาข้าชิงมากีภาพโพดของผู้ขาไป็ทั้งีแล้ ว, วเบ่งบอกให้กัมยากัมย่อมมดแล้วเห้นี่ญาติย่อมจะสช้าสงสัยกินเนียงแขรงใจกับผูข้าส่วในใด้ายกระดายนตลอดถึงพระพิคุสงที่อยู่แต่บนนั้นขุนใจเขาดูถูกินข่าว่าเอาพูกขาไปเผากอนบ่ปล่อยให้ย่อมไดคิดทั้งซีมาเห็นใส่ ก็เอาพินัยกรรมในออกอ้างเอาเพื่อนในออกอ่างไหนบอกของสั่งว่าผู้ขาเสื้อพ้นของกรรมและกรรมที่ตนสร้างไว้มีในีในเมื่อเวลามีซีวิตอยู่เมวันสิกูติเก่าเนี่ยิ่ม เ, เ, เ, เมื่อวันเสียหางแห่เอาศพเอาเงินมาให้ทุไรมาโมทนาในศพในเมื่อพระเจ้ากระสงอยู่ในนี้เวลาผู้ขาตายไปแล้ว ให้ภากตะเทียมบินทบาทหน้าบ้านคุณนี่พริกนี่เกลือเอาไส่นั่นหละถ้าบุญอุทิศหาให้มันสงบสงบไปบะตองมหาวากุศลศร้าบะตองนิมนต์พระเจ้ากระสงทางใจทางเนื้อไมให้ผมหอมไม่อยังมันอยากมันหุ่นมันไหวสถานทีก่กรเบาะสะดวกแล้ววัดบ้า น, ว, านวัดป้าน้ำอมแอมสั้นเท่านี้ถ้ามีสัท่ายังไง นี่จังไรเขาจังไปถาวายเพลินของอยู่ในวัดนี่นี่จังไรบอาพระเจ้าพระสงฆ์ซะพระเจ้าพระสงฆ์กระบอกกันให้มหมโกมกืนกันซะอันนี้เป็นขอสำคัญสีซ่างไวสีซ่างเสียไ ว, ไวบะตองว่าเฮ็ดโล่งไปซื้อโล่งมากรือเห็ดอัดกจบแกรบจะหางมันเหม็น จ, จะสองมือสามมือจะถืากันวา่าวถ้าผ้ากันเอาไปโลดคณะก ว, ว่าแทาบานมาบะท่านพระเผากอน เดีวจะสุภาพกนเอาพิษเอาถือว่าหาว่าจะถือหาวา่าว่าเขานับนับถือมืเอเพชรขวางเพชกายแล้วสุภาพกันหาว่าทั้งชั้นผู้ชาต้องแบ่งเบาออกบัตจากเจ้าของและจากผู้อื่นตอนนี้ขนาผู้ใดเก็บผู้ใดป่วยอยู่มีธุระไปทั้งอื่นมากประท่านก็ตามว่เห็นจะสร้างจะสร้งางไว้แล้วท่านชิล่าก็ดีแล้วก็ท่านอินก็ดีขันโตมากประท่านเขาเขาเผ า, าก่อน เมื่อโตกัมาทะเลาะกันเลยล่ะสัสบอกคักแล้วตอนนี้ถึงแม้เป็นชันญาญยมมีทังสงสัยอัตมาอันไหมันฉดีอันไหมันเิเจริญตามสถิติกาลังของเจ้าของด้านภาวานากภาวาน่าลงด้านก้อสามกระแสไปตามสถิติกาลังเดี๋ยวนี้มันพออยู่แล้วกุฏิลังนี้มันมีปัญหาอยู่บเทศทน า, ายญาญยมทา้ไกอยู่สังมาเฮดงามแท้่ะั ตางเงินของเขาดิต่เงินของเขาบะม่งเงินเข้าไปขุดไปเกา่าแทบบ้านจักสิวายยังไงฮะเนี่ย่ะม่นเงินเข้าไปขุดไปเกา่าแทบบ้าน น, นี่ขอนึงพระเจ้าพระสงฆ์ในยุคคือตุกขีนี่ไม่ท่าเฮ็ดกเงาเฮ็ดรับเงาแต่นุ่มซ้ำมาเฮ็ดร้ายเฮ็ดใหญ่แท้ละสักกับมันมากเงเงียดกันแล้วหลายขย่างแล้วผู้นึงก็จะขีเฮียไปขีพุ่งไปขีบ้านเพราะออกก้าพุ่พวกมาดิจันับุรี ก็จำเป็นก็ต้งองในเฮ็ดที่แรกก็มากเพะว่าที่ว่เฮ็ดดกนน่กูตีลังนี่แล้วย่อมสวัสด์ว่าโอ้ยขน่อยก็มานอนยืนี่กลางคืนก็หลงผู้จวนมสั่งมูเศ้ า, าก็เศร้ารื้จะดกก็เกลียงใจเพื่อนเพิ่นกัาาน้าวนหน้าเขาเพลินมาสั่งแล้วเฮ็ดกระทู่บตูกตองเพื่นให้ขน่อยได้ไปงังมาสังส่ง มื่งงานก็เอาดอกก็สั่งเพราะได้เลี้ยงออกนี้จากหลวงปู่จวนเนี่ยว่าสั่งเปิ่บ้านซิล้วก็เริ่มมาปรึกษากับแพทย์กับองค์พุทโธกับพระทั้งหลายกับครูชิตว่าขันท่าเหตุท่องเหตุมื่งหมายมันก็รักษาไฟงาปกดดีว่าสั่งทั้งชั้นแรกก็จะได้ที่นี่ไงเติบแต่อว่าสั่งแพทย์ก็ดีองค์พุทโก็ดีก็เลิมาเหตุขึ้นนั่นขนทิือว่าล้างนั้นเป็นล้างงาม ว่าพระเจ้าประสง์อยู่เอา้าเขามาหาคนสิบคนเศ้าคนเขามายัดเยียดกันอยู่นันกันออกสิ้นคนาาลเลจักรตราเม็ดเอา้าเคยคิดว่างสัน่นท่านเนี่ยพระเจ้าพระสง์อยู่ปูแล้วแคบๆสองเม็ดสามเม็ดต่อยู่ผู้เดียวยั่งดีก็อัน น, นั้นเบาไว้ชันๆเบาเข้าจะไปคืดชันๆก็ถือเขามาหลายค น, ขขนยเขานอนเบียดกันอยู่เบาแมนเทาสิ่ปารนาเขามา เมื่อเขามาแล้วก็บอมันนาที่เขาเข้าสี่หามเขาเข้าทิ่ปาธนายเขาม่าเขาบ่าถือคือกันเข้าสี่เฮ็ดทางแห่ไว้ให้เขาม่าเขาบ่าถือคือกันเพราะการเฮ็ดอันนี้คืนม่นมันเงียบเงียบเห็นประสบตาอยู่แล้วจังเฮ็ดได้เพมันเฮ็ดทางแห่ไว้ก่อนพอใจบอเออมันเป็นทังชั่นว่าแลี่ยนาที่ให้อัดให้เงี้ยน้อมพูดจักเบดอันนู้นนี่ แต่บนน้องสูงใต้ไม่ละผู้คาตายไปเขาตีตีเตรียมกระตอมโอ้ยพวกนุ่มปฏิบัติใกล้สิบบริเหตกับอวัด พ, พ่อผู้อื่นกับพ่อขอเอาเงินไหวกักหมื่นสองมือนสามมือเนี่ยกับว่าใส่แมงคลองหน่อยภาษาภาษาเพิ่มมากเพิ่กับว่าเตะกั บ, บต่อรอสิกา ย, ยังก็เฮ็ดใจจืดใจแหงพวกดอกรสินคนนี้เพอทั้งท่นก็เอาอันนี้ออกโลดเอาพี่นายกรรมออกโลดนะขันทันเลยถ้าปาก็ซื้อข้าจบตีพกเจ้าได้จักบอก มันพลาดติเป็นไปได้พลาดติดจะเริ่มในจิตในใจมันจะค้องอย่พักกันเทปครั้งนี้อะไรมันเหลือวิสัยแต่ยค่พักกันเทปเข้าใจวะอือนี่อะไรมันเหลือวิสัยแต่แค่จุดพักกันเทปการก่อสร้างการก่อสร้างอันนี้มันพอแล้วเดียวเนี่ยมิตรทิ่รักษาไว้เพราะหายปวให้ยมดกินก็เอาหรอกแล้วก็พวกธรามะมือนั่นเขาก็บอกว่าจะทําทั้งหน้า อยากดิฉันอยากจะมีสัาทางทั้งหน้านาโตโตอีกเสื้อสังใส่กุดน้านไว้เพื่อให้สะดวกบ้างเขาวางสัง่งแล้วบอกเขวาว่าการทําก็ดีอยู่แต่ว่าการทําก็รบกวนประชาชนมากบ้านใต้บ้านนึก็ต้องมาแต่ขนขึ้นการขนขึ้นลำบากมากต้องรออยู่เสียก่อนพอหมดกําลังแล้วเรื่องขนขึ้นมปนของสําคัญมาก เขาก็ไล่ลออยู่เ<า>ขาว่าเขาถึมีท่าทาเฮ็ดทั้งน้มันไงนอีกนี่เขาเลยห้ามเขาไว้ไงว่ได้นี่ก็พ้องแห้งเลยทั้งน้ำหกทั้งเจ็ดทั้งนี่ไปล่วงของเขาไปท่อโบดลังนูนยากก็บดอีกซ้ำบดยั้งเฮ็ดยกกระบอล น, นี่อันนี้คน้งงนคืนยากนี่ในที่ว่านี้ไม้ควงมาจากไหนทันทันคืนมาเทิร์กน่บอกาทียวบอกคาเทาีพี่แหงที่บุญไงอืมีคือบอรัฐวิสากรุ่นว่า ถึงนม้พพี่ท่านือบุญง่ายนี่ไหนบอกองค์สันเพราะพระนี่พรรษาสามสขึ้ น, น, น, น, น, พพนไปแล้วปฏิบัติจะยุคท่านหลวงปู่มันพุ่นพุงเขาก็มีตาเขาก็มีเขาก็สืบยูคเขาก็มาต่างคิ้วของเขามันเป็นนะท่านเรื่องมั่นจกสิทธิ์ยังไงคนทักใจ เขาเขียนจดหมายมาฮะอาจมาอาจารย์มาตอบไปเฉพาะเรื่องที่เขาถามมาธรรมะหัคุณนั่นาน่านมากันเขียนจดหมายมาเทีย น, นจีอาจาอยตมากตอบไปได้เฉพาะหันทำไมไม่มานานแล้วไม่เจอหน้าเจอตาสักทีเออทําไมไม่มันมันมาเยี่ยมรถหนึ่งมีคนต้อนี้จดหมายจดหมายตอบไปทา้งคุณใช่ไรเอามาแจ้ไห้สงเบิงเอามาแก้ไหนสงบงาาห้สงงหาสงสิเพ่นโทษ ว, ว่าไปจบไปแก้ ก, ก, กําเนิดกําลัมเห็นไมเอาหลับไมาใช่โต รักษาตัวจนตอนนั้นเนี่ยไหนว่าของสั่งเขาเขียนกดหมายมาหาถึงอัตมาเนี่ยอะไรอัตมาให้งสงบึนเพื่อสิอย่างนี้ไพแกจะของเหระมันเป็นคั้มไปทั้งโลก ท, ทั้งสงสารว่ะหรือเป็นคั้มไปทางไหนหายมีสิทธิใใ์ทา่จะได้พระรอดตอบเขาไปกับหายพระอานปิดมืดเลยทันทัง ไม่ว่าผมสั่นอโรดว่าเรียกว่าไมาย่ยูนี่แบงเบาออกจากเจ้าของเบมดหละแบงเบาออกจากเจ้าของหมดแล้วมายอบไปนอนในโรกพระญาบาล บ, บายอบไปพาไปตัดเออมันทียากกับเจ้าของยากกับผู้อื่นยากกับญาติพี่น้องให้มันยากกันเต็มแค่พอโฉมไปใส่ไฟหันบัดเดี่ยวนะให้มันยากไปไรบอลมาสั่น ขนไก่บอว่าองสิหรือมาถึงย่งมาถึงเงียบเหรออือเดี uh. <can <can ๋ยวก็ยู้แบบยูแบบดันเบาให้ตนและผู้อื่นได้หนิจะถือว่านักไก่เออขั้นไปเฮ็ดวัดยูดินเพียงมันก็ยากกับแผ่นดินพันงนากก็บหักกับสวนพันขึ้นกันเหรอ ชีวามักสั่งมักแฝงว่าไงนีไปเบิงซาร่าพันดูไปเบิงกุตีพนดูอันสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิแปดสิข่าหาสิสิขาหาสิสีระงับทั้งมหาเนี่ยไงเอ้เบึงสาตอแต่แท้ข้านฮักยังเช็ดันดูผู้จงเป็นน้อาเนี่ยื่องสิยันเจ้าหัวสักเป็นเนี่ยนี่มาอยู่นีเปียีนาราซากตอออกไปคันอีกไะ น่เขาประดับดีมากมาสอ้งกันยู่นี้นะนี่ยก็ออาประหานอีกปีนึงแล้ก็ประหานอีกชุดละัพอดีพอน่ามากอันนี้งานโยมหรือภยเจ้าพระสงฆ์ที่มีอิทธน้าละอาใจก็เข้าทั้งในทั้งตอนงานอันไดมากเิดถึงก็เก็เก็บให้ผ้ากันซวยกันเห็บให้ผ้ากันซวยกันท่อมให้เขาเศร้าแล้วที่ล่องปูลงไปนี่บางที่โทเอาหินมากนะ ว่ามันออกมาเดี๋ยวมคินคีรสีแดงเบาจากงานจากน่มแงเบาจากพระแล้วพระสมาสงสัยแข้งไก่ทางไดเงินส่วนตัวห้องกับ่มีอันนั้นให้กับ่มีและะ้วกับจเป็นเด็กเปนเสา้องในโรงพยาบาลกับ่มีแล้วสั่นพระยังจิ้นเงแข้ง แ, งแต่ในส่วนห้าอยู่แหละทั้งพระฝังกรีทั้งพระไทยกีสห่าวจะรักษามันี้มดีว่าสั่หาสิยุ่มือเดีวตายเดยียวเขาสิรักษาเอาแต่จะกุตีลังเดียวนี่ว่าสัาาาา่ขการงานไหนไมัน เกิด น, นมาให้าคกัคอนไปเห็ดัให้มันแล้วห น, น, นีจ า, า ก, กน้อใจ <c oughs> เฮ้ารัศดรลังงานนึเรื่องงยน่อยรัหาให้ภาคแหงแล้วสามิบมติดก่อนแล้วอืมบาดนี้ทั้งหายหายง่วมทั่งอหยฟังดีๆแกมกันหยอกแกมยึก็แมนเพื่อนงัดอด้อเพือนงมดเ้อมือตัวจะถือว่าเฮามาเต็งมานั กินนักไก่มือโตเด้สบเท่ากับบัลลเกียวอืมให้เผาโรดมันมือฟื้นก็เขาสิบอกยามอธิหารนอนืมยุคนมันอึมัอมนม อ, อึกระดูดไม่แล้วก็เผาแล้วกระดูดไม่ชาทีมโรดเนี่ยคสอพักการไปวุ่นมันเป็นปัญหาผูมาาา้มาบทัฒนมาย่ำลุ้นย่ำวัฒน มาแงมไหนก็ท่านนี่ดอกของมันบวกื้นกับมันคืนแล้วโอ้ยเดี๋ยวยึดาว่าตายคืดแล้วกเสร็จว่าท่านมันเสร็ของมันมาแงมไหนก็ต้องท่านนี่มัดอ่ะอันท่านตายได้จะกของกันยังท่านยุ่งสมือตายยุ่สมือตายจากสายใบเทียงท่านตายท่านเกิดยูเกิดกับท่านยุ่เพราะว่าท่านตายตายกัท่านยู่เพราะมันมันก่อตายอ้นี่จับบอจัตงหอวยังได้ด่ันกอ เพราะยันเงาโยมสิงหุ่มมันกัดไปนอนาคตนักตัดออก่หมันถึงใจว่าพอออกตลาดดูเต่าทางบุญร้านเล้ยทางบุนบอกขาคักแล้วเขาคงจันนังแล้วบอกขักักบอกยังไงพิ้งหงาบอกขาคักแก ตาแล้วจะเขียนหนังสือไปหาเขาเขแล้วเรียบร้อยแล้วซอยากกินจะขั้นหาพระมาบินธบารซุเขาหอยเกียรงยับารโรดไว้สนดอกสุจะวุ่นว่างท่านบอกบเขากันกระ บ, บอกข้อแหงแล้วอันนี้คือกันเน่ยโยงก็ะบอให้วุ่นกันโอ้ยพัดตายแล้ววอ้่านถ้าเห็นมาเกียมมีพิกีแก้วพบินธบาร์ผ่านบ้านนะเขาใส่ให้แล้วกัแล้วท่าน วิสยัอย่างนีอันนี้นย่นี้นี่ยัปนกันกั บ, บาพารลวบพักอยู่ด้วยนี่เหอทั้งหมสีเ่เหตบุญปหาบนเอื่นสงสมควรเป็นประวัติบ้านเฮ้าที่วับังโคกเทไร ป, ประวัดิดดดยังไงนเทไเาก็เอาลวบ่เ า, าก็มีเทไรอยู่ละอันอยู่นี่ถ้ามันบน่มีกันยกมือเพื่อนว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้มดแล้วบ่มียังละโอ๊ยผมทำจังเลยเทไมืเฮ้าว่าสนมันก็แล้วเไรจะไปแพ่ไปอกัน